โชนะปฏิสังยุต์หมวดที่2มี30สิบขาบทแต่ไม่ได้จัดเป็นคู่อย่างสารูปข้อหนึ่งว่าเพิ่งทำศึกษาว่าเราจะรับปินทบาทโดยเอื้อเฟื้อข้อนี้สอนให้แสดงความเอื้อเฟื้อในบุคคลผู้ให้ไม่ดูหมิ่นและให้แสดงความเอื้อเฟื้อในของที่เขาให้ไม่ทำดังรับเอามาเล่นหรือเอามาทิ้งเสีย ข้อสองว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะจ้องในบาทรับบินทบาทข้อนี้ห้ามไม่ให้แลดูหน้าทายกหรือแลเมอไปทางอื่นข้อสว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะรับบินทบาทมีสูปะเสมอกันคำว่าสูปะนี้ในที่อื่นแปลว่าแกงแต่พระคันธารรนาจารจะเห็นว่าเป็นของเหลว รับมาไม่ได้กระมังจึงแก้ไว้ในคำพีวิพังว่าสูปะนั้นทำด้วยถั่วเขียวบ้างด้วยถั่วขาวบ้างจับได้ด้วยมือดูเป็นทีกับข้าวแต่กับข้าวในที่อื่นเรียกว่าพยัญชนะพระท่านแก้ไว้อย่างนี้ความถือของพิษุททั้งหลายจึงเป็นไปเฉพาะแกงที่ข้าวถั่วเป็นการที่แคบเกินไปท่านแก้ไว้ดังนี้ เฉลยจะพิ่งของที่ใช้กันอยู่ในครั้งนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าทำเนียมมินทบาทในครั้งนั้นคงไม่เหมือนทุกวันนี้้ายกคงไม่ได้คอยถวายภิกษุคงไปยืนตามบ้านตามร้านเขาคงเอาของที่มีอยู่โดยปกติหรือที่สาหรับขายใส่บาทจึงได้มีห้ามไม่ให้เลือกรับสูปะมากเกินพอดี แมีกิริยาที่ควรจะปฏิบัติอนุโลมข้อนี้ได้อยู่คือรับไปตามลำดับที่ถึงเข้าวยาพ่านทายกผู้ใส่แต่ข้าวเปล่าเสียเพื่อจะรีบไปรับแต่รายที่มีกับข้าวด้วยข้อที่สี่ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะรับบินทบาทเสมอขอบขอบนั้นไม่เอาขอบล่างห้าไม่ให้รับจนล้นขึ้นมา มันเป็นกิริยาสอความโลภแต่ของห่อใบตองหรืออย่างอื่นที่ปลายห่อพ้นจากปากบาดขึ้นมาไม่นับว่ารับล้นบาดกล่าวตามธรรมเนียมในบัดนี้รับมากที่สอความโลภใช้ไม่ได้รับมากที่สอความเมตตาไม่เป็นการเสียเช่นภิกษุบวชใหม่เข้าไปรับบาดในสกุลรับแต่เพียงบาดเดียว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 อย่างพระศัสดาทรงรับแป้งจีของนางปุณณธาสีแล้วสเสวยโดยไม่ได้ทรงรังเกียจเช่นนี้จัดว่าฉันบินทบาทโดยเอเื้อเฟืออันหนึ่งเมื่อฉันตั้งหน้าฉันไม่ฉันพลางทำอื่นพลางแม้อย่างนี้ก็จัดว่าฉันบินทบาทโดยเอเื้อเฟือข้อ6ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจะจ้องดูอยู่ในบาทฉันบินทบาต ข้อนี้ห้ามการแลดูอื่นพลางฉันพลางแลดูเกี่ยวด้วยการฉันเช่นแลดูด้วยคิดว่าสิ่งใดยังไม่พอจะได้ให้แก่ภิกษุผู้นั่งฉันอยู่ไกลไม่ห้ามข้อ7ว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจากฉันมิรบาทไม่แหวงข้อนี้ห้ามไม่ให้หยิบในที่เดียวจนข้าวแหวงลงไปแนะให้กวาดตะล่อมข้าวเป็นคำ ข้อ8ว่าเพียงทำศึกษาว่าเราจากบินธบาศมีสูปะเสมอกันคําว่าเสมอกันนั้นพระอัฏฐกถาจารย์แก้ว่าพอดีหมายเอาสูปะเท่าหนึ่งเสี่ยวที่สี่แห่งเข้าสุขข้อนี้ห้ามการฉันตะกรามอย่างเด็กแม้ฉันแกงกับมากกว่าหนึ่งเสี่ยวที่สแต่ไม่เกินเข้าสุกก็ใช้ได้ไม่ผิดบาลีไม่เป็นตะกราม แต่ความเข้าใจว่าห้ามเฉพาะแกงถั่วเท่านั้นแคบเกินไปเขาเลี้ยงแต่ของอื่นไม่มีข้าวสุกฉันก็ได้ข้อกาวว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจะไม่ขยุมลงแต่ยอดฉันบินทบาตเป็นธรรมเนียมของภิกษุเมื่อฉันเกลีย่ยข้าวสุกในบาตรให้หน้าเสมอกันก่อนส่วนกับข้าวหรือขนมที่เขาจัดบนจานเรียงเป็นลาดับขึ้นไป ทำอย่างนั้นใช้ไม่ได้หยิบลงมาแต่ยอดได้ข้อ10ว่าพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่กลบแกงก็ดีกับข้าวก็ดีด้วยเข้าสุกอาศัยความอยากได้มากข้อนี้หมายความเอาการฉันในกิจนิมนต์ที่ทายกอังคาดคอยเติมของที่ฉันได้ถวายข้อ11ว่าพึงทำศึกษาว่า เราไม่อาภายจักไม่ขอสู่ปากก็ดีข้าวสุกก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ตนฉันคำว่าขอในที่นี้หมายเอาขอต่อครืหัดผู้มิช่ญาติมิใช่คนประวรนาอาภายขาดอาหารอันถูกปากไม่ผาสุก ข, ขอได้ไม่อาภายขอเพื่อภิกษุอภายาได้อยู่ข้อ12ว่าพึ่งทำศึกษาว่า เราจากไม่เพ่งพนธนาและดูบาทของผู้อื่นแลดูด้วยตั้งใจจะค่อนขอดว่าฉันมูมามห้ามในข้อนี้และดูด้วยคิดจะให้ของฉันอันยังไม่มีไม่ห้ามข้อ13ว่าพึงทมศึกษาว่าเราจะไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่นักคำข้าวที่คับปากนำเข้าไปไม่ได้หมดจัดว่าใหญ่นัก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 เทียบที่สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ผู้ครองวัชพระเชตุพนได้เคยพูดปรารบถึงเรื่องนี้แก่ข้าพระเจ้าท่านเห็นสมด้วยข้าวเหนียวข้าพระเจ้าก็พลอยอนุโมทนาแม้ไม่ใช่ข้าวเหนียวก็คงเป็นธัญชาติที่มีคติเดียวกันหรือข้าวเจ้าแต่ห้งเปียกจึงปั้นทำเป็นคำกลมได้ซ้ำในคำภีวิพังห้าไม่ให้ทาคาข้าวยาวไว้ด้วย แปลว่าเป็นของปั้นได้กิริยาบริโภคที่จัดว่าเรียบร้อยก็คงปั้นเป็นคำกลมๆจึงได้สอนไว้ในข้อนี้เข้าใจข้าวที่กินแล้วอาจเข้าใจข้อต่อไปง่ายข้อ15ว่าพึ่งทำศึกษาว่าเมื่อคาข้าวยังไม่นำมาถึงเราจากไม่อ้าช่องปากข้อนี้บ่งให้รู้ธรรมเนียมฉันอาหารว่าหูปากเคี้ยว อาปากเฉพาะเวลานำคำข้าวเข้าไปข้อ16ว่าพึงทำศึกษาว่าเราฉันอยู่จะไม่สอดมือทั้งนั้นเข้าในปากคำว่ามือนั้นในดีกาแก้ว่านิ้วมือชอบอยู่ข้อนี้ห้ามสุกปรกปล่อยให้นิ้วเข้าในปากแม้ไม่ทั้งหมดก็ไม่ดีข้อ17ว่าพึงทำศึกษาว่า ปากยังมีคำข้าวเราจะไม่พูดข้าวมีอยู่ในปากพูดเสียงยังไม่เป็นปกติเพียงใดอย่าเพิ่งพูดเพียงนั้นกว่าจะได้กลืนแล้วหรือขายแล้วจึงพูดข้อ18ว่าเพิ่งทำศึกษาว่าเราจกไม่ฉันดอกคำข้าวข้อนี้ห้ามการดอกคำข้าวขึ้นจากมืออ้าปากงับอันเป็นกิริยาสน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 เขาไม่ถือว่าเสียกิริยากระมังท่านจึงอนุญาตข้อ20สว่าพึงทำศึกษาว่าเราจากไม่ฉันทำให้ตุ่ยข้อนี้ห้ามการฉันทีละมากๆคนตุ่ยแก้มเหมือนคนเป่าคลุย่ยของอื่นท่านอนุญาตแต่ต้องรู้จักผ่อนควรปล่อยแต่ที่จำเป็นข้อ21พึงทำศึกษาว่า เราจกไม่ฉันสลัดมือถ้ า, ข, าข้าวสุกติดกลางมือให้ล้างด้วยน้าข้อย2สิบสองว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจกไม่ฉันทำเมล็ดข้าวตกข้อนี้ห้าไม่ให้ปล่อยเมล็ดข้าวอันเหลือจากที่เข้าปากตกร่วงลงมาในบาทก็ดีที่พื้นก็ดีข้อย3สิบสว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจกไม่ฉันแลบลิ้น ข้อ24ว่าพึงทมศึกษาว่าเราจะไม่ฉันทําเสียงดังจับจับข้อ25ว่าพึงทมศึกษาว่าเราจะไม่ฉันทําเสียงดังสุดๆดเสียงดังจับจับนั้นเกิดในขณะเคี้ยวของแข่นเสียงดังสุดๆนั้นเกิดในขณะสดของเหลวพึงระวังข้อ26ว่าพึงทมศึกษาว่า เราจกไม่ฉันเลียมือคําว่าเลียมือในที่นี้ไม่หมายเอาเพียงแลบลิ้นเลียอามิดอันติดมือแม้เอานิ้วเล็มอามิดอันติดมือนั้นเข้าปากก็จัดว่าเลียมือเหมือนกันข้อ27ว่าพึงทําศึกษาว่าเราจกไม่ฉันคอดบาทเข้าสุกเหลือน้อยไม่พอเป็นคําห้าไม่ให้กว่าตะล่อมรวมเป็นคําฉัน ทำเช่นนั้นเรียกว่าฉันขอดบาดข้อ28ว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากข้อ29ว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราจากไม่รับโอน้าด้วยมือเปื่อนอามิตรทรเนียมพระฉันในครั้งก่อนฉันอิ่มแล้วจึงรับน้าห้าไม่ให้รับด้วยมือข้างที่เปื้อนในบัดนี้รับน้าพร้อมกับ อาหารพึงเข้าใจว่าห้าไม่ให้เอามือเปื้อนจับโอน้ํานั้นถ้ามือเปื้อนทั้งสองข้างจะต้องล้างเสียก่อนแท้ข้อครบ30ว่าพึงทําศึกษาว่าเราจะไม่เทน้ําล้างบาดมีมเมล็ดข้าวในละแวกบ้านข้อนี้หมายเอาการฉันในบ้านเสร็จแล้วล้างบาดเทที่นั่นในครั้งนั้น น้ำไม่มีกากข้าวท่านคงเห็นไม่เป็นไรจึงห้ามแต่ที่มีมเมล็ดข้าวในบัดนี้แม้น้ำไม่มีกากข้าวก็หาควรเทไม่เทในกระถนที่เขาจัดไว้ได้อยู่เขาคงเอาไปเทอีกต่อหนึ่งถ้าเทเองในที่ไม่ใช่สําหรับเทของก็ไม่ควรเหมือนกันธรรมเนียมฉันอาหารนี้ควรถือเป็นหลักได้แต่ใจความ คือต้องการความเรียบร้อยอย่ามัวหลงในพละความคืออาการที่กล่าวไว้เพราะอาการที่กล่าวไว้นั้นกล่าวตามนิยมในครั้งนั้นครั้นธรำเนียมเปลี่ยนแปลงมาขืนทําไปตามนั้นกลายเป็นสกปรกหรือมุมมามไปก็มีชี้ตัวอย่างให้เห็นได้ในชั้นผูด้ดีเขาใช้บริโภคอาหารด้วยช้อนกับซ่อมหรือด้วยช้อนกับตะเกียบ ฝ่ายพระมัวหลงไปตามอาการที่กล่าวในเสขียะยังใช้เปิบ ด, ด้วยมือดูเป็นเปื่อเปื่อนสุกปรกเป็นที่รังเกียจของผู้อังคาดอันเป็นชั้นผู้ดีควรสำเนียกวิธีฉันให้ถูกตามธรรมเนียมในสมัยภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในธรรมเนียมฉันฉันมู่มามสุกปรกหน้าชังถูกปรับอาบัตทุกกฎภิกษุผู้ตั้งใจจะรักษาธรรมเนียมแต่ทำพลาด ด้วยไม่แกล้งด้วยเผลอด้วยไม่รู้และภิกษุผู้อาพาธได้รับยกเว้นตามเคย